เจ้ากรมถามเมื่อกี้เนี่ยว่าผ้าจีบอของพระแต่ตามไม่จริงผ้าจีบอของพระเนี่ยท่านวัดให้ได้เท่านั้นคือพระสุคตหนวงพ่อขจับไม่ได้นะแต่สรุปแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ประมาณสักความยาวของผ้าผ่านความยาวคือทางนี้ประมาณสาเมตรประมาณสามเมตรคือหกศอก ทางเลือกเนี่ยประมาณสักสองเมตรสิบสองเมตรสิบเซนนี่แหละประมาณโดยประมาณที่พระที่พระผ้าท่านใช้อย่างหลวงพ่อใช้ก่อนนะถ้าเป็นผ้าองค์เล็กแต่ท่านก็ท่านก็ใช้ศอกของใครของเราเหมือนกันนะสมมติว่าถ้าว่ า, วาองค์ใหญ่ก็หกศอก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 บางมบ้างโคนก็ถวายสท้ายโยมมากระถวายกับพื้นใหญ่ก็มีลูกเจ็บตรงกลางและกระจกะก็เป็นพื้นใหญ่สำหรับคลองเครื่องมันยังไม่มีและเบียบพอต่อมาททนี่ผ้าที่เป็นพื้นใหญ่ที่เป็นชิ้นเดียวนั่นอขโมยมันมองมาเนี่ยว่ามันเป็นประโยชน์สาหรับมันเทนี่มันมาขโมยผ้าพระบันฑ์สมัยนั้นน่ะมันผ้ามันหายากใช่ไหม เนี่ยพอมันมีตะกี้กระตุกทนเองน่ะอพวกจนมันมีอยู่กระโมยผ้าพระนะพระโมฆาฆ่าพระที่นี้พระเดือดร้อนเลยทนะีเพราะมันเป็นผ้าใหญ่พระพุทธองค์ก็บอกว่าอานนท์ให้เธอไปวางวางแผนโน้สิว่าจะตัดยังไงให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขื้นมาให้มันลดขูดค่าของของจีวรลงเนี่ยนี้พระอานนท์ก็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 แล้วก็มีคลองส่งน้ำแล้วก็เป็นท้องนาจากนั้นก็มีขอบเป็นถนนรอบท่านผ้าจีวรคงจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจริงตรงนี้ก็เลยเป็นถนนเหมอนตตรงนี้ก็เลยเป็นคลองส่งน้ําหมอตรงนี้เป็นพื้นนาท่า น, นก็เลยออกมาแต่มันพระอนุนก็เลยมาตัดเป็นผ้า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 ขันขันตัวนี้ไม่ให้เล็กกว่ากุศิ์ตัวนี้อันนี้คือความเป็นมาของผ้าจีวรของพระนะแต่โดยมากเดี๋ยวนี้ของผ้าพระทั้งหลายแหล่คือวัดอโศการามเขาบวชเป็นพ ร, พระกรรมฐานบัดนี้เขาก็เลยเป็นลูกชิดหลวง พ, พ่อริวแต่เด็เขาก็เลยมาตัดเย็บเอาแบบกรรมฐานเย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 แต่ว่าถ้าว่าเป็นผ้ากรถิ่นผ้ากระถิ่นจะใช้ผ้าอย่างนี้ไม่ได้กรรมฐานไม่ยอมรับกันต้องเป็นผ้าสีขาวผ้าสีขาวจะเป็นผ้าซันฟร์ไร์ซันฟร์ไร์เบอร์หมื่นโดยมากนะที่จะเป็นผ้าไตรผ้าคลองมาก็ตามต้องอมาเป็นบริวารแต่พอจะเอาจริงๆรินักเจ็บเจ็บพระสงฆ์นั่นก็จะเลือกเอาผ้า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 พอการกระตินเสียแล้วก็พากันลุมกันเย็บคนละขันกันห้าขันเหมือนกันเถอพอห้าขันเสร็จแล้วเจ็บจากสามขันเลยเย็บคนละดูกันเลยอพอเสรประกอบเข้ากันพอคว้ากันไปย้อมเลยพอย้อมเกืบเสร็จประมาณเกือบห้าทุ่ ม, มักก็เหลวนะเพราะว่พาพระใส่ใส่วิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยใส่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 คือในพระวินัยของพระนี่ท่านให้ให้ใหพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเกณฑ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเจ้าอย่างวันนี้นหละคือพระอาทิตย์ตอนเช้าเป็นแสงเงินแสงทองขึ้นมาคือวันนี้แหละแล้ว ม, มาทั้งวันเนี่ยพอตกกลางคืนอีทั้งคืนพอพระอาทิตย์คืนนี่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นพระหมดหมดวันนี้แหละ อ, ออกนอกจากเขตวัดของไปแล้วมันมันมันพันสาขาดนะ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 แต่ขนาดอธิษฐานพอประวัลนาในวันนี้ประวัลนาตอนบ่ายเราก็ยังรักษาราตีอีการาตีหนึ่งห้ามไม่ให้ออกนอกวัดในในวันนั้นอะที่ประวัลนาแล้วแต่จะประวัลนาเดี๋ยวเียวันนี้ตอนบ่ายตอนไหนก็ตามประวัลนาออกคนศาลนะแต่ก็เราต้องรักษาอีการาตีรักษาราตีถ้าหาว่าออกออกไปเลยก็ยังมรนสาขาดอยู่ในท่านก็พูดชัดเจน ยิบัติมสมงอาวาเซอาวาเซคืออาวาทที่มังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิมัอันนี้ก็คือพระที่อธิษฐานและจำพรรษาในพรรษาวินยัยแต่ต่างคนก็ต่างรู้กันอยู่พุทธบัญญัติต้นบัญญัติเราก็ไปศึกษาก็ได้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบัญญัติ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 อย่างสิกขาบทที่สิบห้ามไม่ห้ามไม่ให้ภิกษุรับเงินและทองภิกษุรับเอโกเดให้ใช้ปุ๋นรับโกดีซึ่งคือเลินทองต้องนิจะคียาปาจิตติแต่เปิดช่องอีกตรงหนึ่งที่ว่าสิกขาบทที่สิบภิกษุมีจีวอนชำรด ถ้ามีอุบาสกอุบาสิกานำทรัพย์มาเพื่อถวายเป็นค่าจีวรทรัพย์ก็คือแล้วก็ต้องเงินใช่ไหมไรเอ่ยนำทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีวรถามภิกษุว่าถามภิกษุว่าใครเป็นวา ย, ยาปัจจกรของท่านคือพารับเงินไปนทองเองไม่ได้ใช่ไหมใครเป็นวา ย, ยาฟัจกรของท่านภิกษุแสดงว่า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 เออใช่ใช่ถ้าบอกว่ามีคเงินตกไว้ในวเก็บได้เออเก็บได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นอาวุธปืนเป็นจัตราอาวุธอะไรก็ตามเป็นเพชรนินจินดาก็ตามถ้าตกในวัดเนี่ยพระต้องเก็บถ้าไม่เก็บปรับอติทุกกฎแปลว่าขาดแปลว่าไม่ใส่ใจของเขาที่เสียหายต้องเก็บมาไว้ เก็บไว้ก็ต้องรักษาไว้ว่าต้องคอยให้เจ้าของเขามาแล้วก็คืนให้เจ้าของถ้าเห็นแล้วก็เฉยๆเมือม่อยๆให้คนอื่นหยิบออกไปทำหายไปพระองค์ที่เห็นน่แบบะแปลว่าขาดความรับผิดชอบปราบอาบัดทุกกฎ อ, อ, อ, อีกอันนี้อันนี้ถ้าหากว่าเราเข้าถวายเงินนี่ หลวงพ่อแตยังไม่ว่าเขานะสําหรับหลวงพ่อเองนะอแต่บางทีบาเราไปบินทบบาทอยู่ที่โรงพยาบาลเราไปพักที่โรงพยาบาลไม่ไปด้วยกันสององแต่นพอไปพักเสร็จแล้วองคหนึ่งนะองค์หลังองค์ตามหลังหลวงพ่อนะเขาใส่บาดหลวงพ่อหลวงพ่อเฉยมีอยู่ในบาดช่างมันหรือเปลเราไม่ชื่อว่าเป็นของเราแต่องค์ที่อ ง, อ, ง อ, งองค์ององที่หลังนะ่ะ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 มาให้เรานะเอออันนี้เราก็จะบอกในลักษณะอย่างนั้นเอ่อถ้าเราจะไปบอกในขณะนั้นจใจบาทไม่ทุกไม่กนบ้นานก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายเออมันจำจี้จำชัยจนเกินไปใช่ไหมเออมันมันดูมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันกรย่างไงยังไ ง, ง, ไงเออถ้าว่าต่อไปเราจึงคอยมาพูดมาถามก็เออปัจัยไม่ควรจะใส่บาทนะเออเพราะใส่บาศมันผิดวินัยของพระสงฆ์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 อให้ส่งต่อๆกันไปด้วยครับแต่บางคนโชเฟอร์ไอแอดบางคนมันก็มันก็หยิบออกไปบ้างแต่เราก็ไม่ว่าครบเออย่างไงให้ให้ให้ไปถึงกัแล้วกันแต่ได้กเขาก็ส่ ง, ส, งส่งไปถูกมากเลยคนนิสัยดีบางไม่ได้ใสไม่ดีบ้างแต่โดยมากดีดีมากกว่านะันนี้ก็มีแต่ว่าบางแห่ง กูบาดจานย์คนะรับกลัวตุกขีลูกหาจะลําบากท่านก็เอาเป็นไปชนีแหมที่เป็นชนีเป็นเป็นเป็นไ ป, นปนชนียบัตรนะมันมีใบห้าใบสิบใบยี่สิบห้าสิบใบละร้อยอย่างเนี้ยเอพอไปแล้วท่านก็เอาไปชนีให้โซเฟอร์ไปเลยอืมจานหนี่โซเฟอร์บางคนเขาก็ไม่เอาเพราะมันไม่รู้จะเป็นแลกคิดอไรอีกทีนี้เขาไม่รู้จักวิธีไปชนีอีกทีนึงแหอ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 อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะสะดวกสบายเราจะมาบวชทำไมคารวาดเขาเปิดรับอยู่แล้วไปเป็นคารวาดซะในเมื่อเราเป็นพระเราจะทำเหมือนตัวเป็นคารวะมันก็ไม่ถูกต้องเราควรจะรักษาวินยัยหลวงพ่อกับแนะนำพระลูกศิษย์ลูกหาหลวงพอ่อ อืมใช่พระผู้ทรงสินอออยู่ในศินอยู่ในกรอบของสินหลวงพ่อยังบอกว่าถึงเราจะอยู่ในป่าดวงพงไพ่อยู่ไกลขนาดไหนก็เถอะถ้าเป็นผู้มีศินแล้วนะมนุษย์มาเห็นเทวดาก็เห็นเอแต่ถ้าว่าเป็นผู้ไม่มีสินเนธิก็ไปอยู่ใกล้ธนาคารก็อดเงินไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครถวายเออเพราะฉะนั้น เราให้อยู่ในในศีลในธรรมไม่อดไม่ยากหรอกพระธรรมย่อมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วถ้ามีธรรมอยู่ในใจอยู่ในมีธรรมวินยัยอยู่ในจิตในใจแล้วไปอยู่นัสถานที่ใดถึงจะไม่มั่งมีร่ำรวยกนะ็มีความสุขใจ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 อันนี้ก็คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบวชท่านเข้มขวดโกรธขันเรื่องวินัยของพระแต่เดี๋ยวนี้มันมันมีมันตรงที่เน่เรื่องของอยู่ของฉันโอ้มันแยกยากเหลือเกินนะมันแยกมันแยกยากเหลือเกินในพวกวินัยจุดนี้นะเออ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 ยะวายาวการี่ก็คือน้ำอัฐบาลที่เราสม่มคันมากรองปกลรองเสร็จแล้วให้รับประเคนนชันไดตต้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงเที่ยงวันนี้จนถึงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาถ้าชันก็ไปจะเป็นอติเพราะมันจะเป็นเมลัยมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนเมันจะเปลี่ยนเป็นเหล้ามันจะเป็นเบียรป์ประมาณนั้นอันนี้คือ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 เมันต้องเป็นจัดเป็นคนละส่วนกันอโอ้เรื่องเืรื่องวินัยตัวนี้ศึกษาแล้วศึกษาอีกอ่านแล้วอ่านอีกเหมือนกันนะเอสรุปแล้วก็คือวินยัยเหมือนฟิชชากฎหมายมันเหมือนกันเอีกดกดและเบียดถ้าจับประเด็นไม่ถูกแล้วก็ไปเขวไปอีกเหมือนกันถ้าจับประเด็นให้ได้แลยก็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 เอออย่างภิกษุภิกษุทําผิดครั้งหนึ่งเรียกมาเตือนมาครั้งที่สองเรียกมาเตือนพอเกินถึงสามครั้ ง, ส ว, ส, งสวนประกาศสงสวดประกาศนะท่านนี่เออแปลว่าจะต้องอภปยจะว่าต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเข้าไปเลยเนี่ยแปลว่าไม่ยอมไม่ยอมรับ ไม่ยอมฝังมติสงดือด้า น, นแต่ว่าถึงครับพบระพุทธองค์ยอมเหมือนกั น, นะตรงพอดมามาเห็นอย่างพระช น, นะนะพระพุทธเจ้าก็ยอมคนเก่งเหมือนกั น, น พ, รพระช น, นะเยคือนายช น, นะเนี่ยคือเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงกบิลพัทใช่ไหมจะด็จออกไป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 เทาคนแก่คนที่ไม่พึงปาถนาคนไม่สวยไม่งามจะไม่ให้มาผ่านให้สิทธะเห็นเลยคือให้เมันเป็นมีแต่สีไวไลยอยู่ตลอดสวยงามตลอดเอแต่นี้พออายุถึงยี่สิบเก้าปีแต่งงานาพิมพ์ผายโสโธทลากระทองโยอะไรทะนี้เอยากจะเป็นเป็นพ่อของคนหลยสิทธะแล้วลอะไรน่าจะาปล่อยวางได้ละทตนี้คงจะติดโลกแล้วสิทธะปัดนี่มา เออก็เลย ป, ปลดปล่อยชาแลนอะไรตุนก่อยตุนอวยกวนอ่อนๆคือให้เห็นปกติให้เห็นเป็นคนธรรมชาติไงมืาเห็นคนแก่คนตอนนี้ท่านเสด็จถาท่านก็ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมมิตรกนกลางลัวกลางนะพอนั่งรถน่ยรถม้าไปเขาไปเห็นคนแก่เออหลังค้อมแล้วก็สักไม้เท้านะ จิตาอ้ถามอะไรนั่งเอ้ยอันนั้นเป็นอะไรพบไม่เคยเห็นใช่ไหมชิตาธาบอกคนแก่พระเจ้าค่ะอะทําไมแก่ว่ะอ้าวทาไมตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้เราพระเจ้าค่าอ้าวเราจะแก่ไม่เนี่ยแก่บ้านกัรนั่นแล้ว <laughs> นี่แหละอันนี้คือฉั้นหน้าเราเมื่อพาไปเห็นคนเจ็บคนตายพลเรือนเอ้ยฉันนะเตรียมม้าขันธากาลนะเราจะหนีไปบวชเราจะหนีออกจากเวียวงวังอืม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 ต้องไปก็ต้องขี่ซ้อนกันไปเกาะหางม้าไปเกาะได้เลยมา้าเออมันก็ตกเออม้าเล็วขนานดนั้นต่างหางเลยมันก็ต้อขึ้นขี่ซ้อนกันกันกบศีรัฐานก็กอดเอลเอลสีรัฐฐา น, นมันจะไปทางไหนก็มาก้าตะเบื้องอย่างฉุดเขีดดูซิจากกรุงกบิลพัทถึงกรุงราชสักข์เนี่ยเขาว่าท่าวัดเดียวเนี่ยประมาณสองร้อยกว่ากิโล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 a น o m า l นาทีกเอาไปเราจะบวชแล้วนะชนะเอาไปเอาของกลับจากนั้นก็ปลดเครื่องใช้เครื่องทรงอะไรให้สันน้าหอไปเอาไปขายกินเนอะไปเอาไปแต่สันน้าจะทำยังไงได้เพราะเป็นเจ้านายสั่งคำนะจะเป็นคำนั้นก็เป็นคำเด็ดขาดนี่ไปเอาหมากับนายชันน้าก็เลย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 พอพ้พระเนตรประการของสิท ธ, ธัต ถ, ถะ ท, ะทะ่านนะ่มะม้าทนนั้นก็เลยอกแตกตายหัวใจวายตายคิดถึงเจ้านายอาพอถึงนชยชนะกัที่ทํายังไงได้ใช่ไหมล่ะม้มาตายเลยนายชนะกันได้ดาบกับเครื่องประดบนะับแล้วเดินทางต่อนะมาตามสายม้าวิ่งมาทางไหนว่างั้นเลยแล้วก็เก่งเต๋อแบบนี้ชนะยช่ไหอก็คงจะเป็นเคยนาย เอนายอะไรสมัยรักษาป่าหิมพานต์ที่รักษาประเวชชันดอนเขาวนั่นะออคงจะเก่งทางป่ารงพงไพรมาพอสมควรสศีธิชาก็เดินไออันชนะก็เดินกลับมาถ้าท่านชนะยังอยู่นในหลวพ่อคงจะถามไอชนะเดินมากี่วันเจ้ท่านเดินกี่คืนยัง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 แต่ทางทางทางทางทา ง, ง, ง, งทุกคนแต่โกนทันยะพามเป็นยังไงเอาท่านทำไมจึงยกย ก, ยกนิว้วเดียวผมมองไม่เห็นอนี่ยอื่นชิตตถาต้องบวชเท่านั้นต้องต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งคำว่าของราชไม่มีเพราะท่านข้าไปเจ้าจึงยกนิว้วเดียวใหน้นี่แหละอันนี้ก็คือพอเสร็จแล้วต่นี้ ไอ้พวกพราหมณ์ที่แกนะ่ก็เลยสั่งลูกพอ ก, กลับมาถึงบ้านเรือนกะ็เลยเอ้ยลูกเอ้ยถ้าว่าสิทธัธรรไปบวชเมื่อไหร่พ่อเนี่ยแก่แล้วคงจะตายก่อนคงจะไม่ได้เห็นพวกลูกๆเนี่ยังไงให้ติดตามไปติดตามสิทธัธรรนะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ได้นำสั่งสอนอพวกเธอพวกเธอจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลตามติดตาม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 พาไปบวชใครเป็นคนพาไปผมเป็นคนพาพาพระพุทธเจ้าไปบวชเนอ่ยพอมาบวชคือมาท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผมเป็นโมกขละผมเป็นป่าชาลีบุตรมีแต่อยากจะได้หน้าได้ตานยะก่อนที่จะพวกท่านจะได้มาเนะี่ยจะได้หน้าได้ตาผมเองเป็นคนพาไปพระพุทธเจ้าพาไปบวชพระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินโอ้ฉันหน้านะมันพูดกล่าวเล้วอย่างนี่ไม่น่าจะถูกประกำพอ พ, พุทธเจ้า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 อันนี้พวกพุทธเจ้ายอมแพ้เน่ดูด้วยุเราได้ยินแล้วเราก็นึกขำไม่อยู่เหมือนกันเนะยพวกพุทธเจ้ายอมแพ้คนก็มียอมแพ้คนเก่งเหมือนกันนะเพราะในส่วนก็นเลยจนพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะเนี่ามันบอกไออนนเราคงจะสอนชนะไม่ได้หรอกในเมื่อเราปรินิพานไปแล้วนะให้พวกเธอลงลงผมมาทันกับฉันนะนะ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 พอเสร็จแล้วก็นั่นแหะพระอา น, นุลกรับรับรับแนวของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าปรินิพานขนาดนีนนนนนนนนคณะสงฆ์ประชุมกันที่ถําถําสัตบัญญัตคูหาพระมหากัะส ป, ปะก็บอกว่าอานุ์พระพุทธเจ้าสั่งเสียอะไรไว้บ้าง <c ười> คือเหมือนกับพ่อตายแต่ต้องถามกันว่าใครอยู่ใกล้พ่อเราสั่งอะไรไว้บ้างลักษณะนี้น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 พอชนะได้ยินแล้วนี่ยเป็นลมไง ห, หลังไง ห, หลังผึ่งเลยเอกันโอ้ยผมยอมแล้วเหมือนผมจะเป็นคนดีเป็นพระที่ดีจะไม่ก้าวล้าวอีกต่อไปเออเอาชดประกาศชนะเป็นคนยอมละเนี่ยจะไม่ทํากล่าวล้าวต่อหมูต่อเพื่อนรับให้เป็นหมูพวกเพื่อนอีกต่อไปก็เลยรับให้เป็นหมูพวกเพื่อน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 อาัทธายาดโยมอดีตเจ้ากรมบุญสืบท่านก็มาคอยพวกเราคอยคอยพวกเราพวกเราทานอาหาร <c oughs> ท่านมาแต่เมื่อเช้าเนี่ยมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยก็มาพักที่วัดของหลวงพ่ออยู่ข้างในคอยคอยพวกเราที่มาจากวัดบางบอนฮออะหลวงพ่อได้ทราบข่าวเออวันนี้นับว่า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 หลวงพ่อจะบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนลูกหลานให้ฟังเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ตงมากมายอย่างพระไตรปิฎก8ปด0 0 0ี่พันพระธรรมขัมภ์อย่างกรรมฐานที่สอนเข้ามาพระพุทธเจ้าข็สอนกรรมฐาน40、40อย่าง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 ว่าเราไม่ได้คิดปุ่งฟุ้งไปทางอื่นมีแต่สวดมนต์มีสมาธิในการสวรดแต่ถ้าเราสวดไม่ได้เราก็แผลเมตตาเลยก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไราโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ทข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณด้วยเถิด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 มือสองข้างห่างกันประมาณให้หน้าผากลงจดพื้นได้อย่างนี้แหละอันนี้ก็คือการวิธีการกระเพียงเท่านั้นก็ยังแปกแตกต่างแต่นี่การสอนวิธีการกรรมฐานะรเลยโอ้แมกมากมายหลายๆอย่างแต่นี้ผมพ่อก็ไปสอนแนวแถวหลวงปู่มั่นไง ล, ละให้คณะจต่ายญาติโยมชาวอินโดฟังแต่นี้พอต่อมาเนี่ยมีชาวอินโ ด, น พ, นนโดพ่อแม่ลูก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 เขาไปนั่งในหมู่ในคณะนะพอนั่งเสร็จแล้วใจของเขาก็ออกไปอย่างที่วานะพอจะนั้งคอของเขาก็พับลงนะอพอพับไอ ห, หมู่พวกเพื่อนเอ๊ะเป็นยังไงวะเขาก็จับดนะูจับดูเอาตายหัวใจก็หยุดเต้นเลยเขากูไปบอกหมอมามาดูสิหมอก็มาก็ามาคงจะตรวจแบบห่วยๆนะะ่ไมแตเขามาจับอะไรโอ้ตายและ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 ที่ท่านแนะนําสั่งสอนสายของเราสายของหลวงตาสายของหลวงปู่มั่นอันนี้แปะว่าส่งจิตใจออกไปข้างนอกอทําให้หลงได้เสียหายได้ผิดพลาดได้อหลวงพ่อเอาคุณจะฟังไหมโยมจะฟังไหมเขาว่าฟังพรเข้ามาเพื่อการศึกษาอยู่แล้วให้ฟังนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนวิธีแถวแถวหลวงปู่มั่นให้ฟัง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 มีจุดจบของมันคือเกิดแก่และก็เจียบและกรตายในที่สุดอันนี้คือร่างกายในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราญาติโกโหติกาสามีภรรยาวัดวาศาสนาจะเป็นของเราได้ยังไงขณะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ยนะการพิจารณาธรรมปล่อยวางที่ใจนะกำหนดตูวที่ใจเรามีอะไรต่อไปภายภาคหน้ายังค่อยว่ากันอีกอันนี้